หลักปฏิปทาเครื่องดำเนินอันเป็นศูนย์กลางและเหมาะสมอย่างยิ่งคือทุดงควัตรสข้อนี่เป็นเครื่องดำเนินสำหรับพระผู้เหิงไผเพื่อจะหลุดพ้นจากไัยให้ถึงแดนกเกษมคือพระนิพพาน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 ยอมยึดเอาทาบทนั้นๆที่ตนชอบเข้ามาการรกับใจที่เรียกว่าบริกรรมภาวนาทางอนุสติสิบนี้มีพุโทโธธรรมโมสังโคเป็นต้นอยู่ในอนุสติสินี้เราจะเอาบทใดหรืออนาปานสตินี่ เหมาะสมกับทำเหล่านั้นเหมาะสมบทใดเหมาะสมกับจดิตนิสัยของผู้บําเพ็ญรายใดพึงนํำทำบทนั้นเข้ามากํากับใจให้เป็นบริกรรมภาวนาหรือกําหนดรู้เช่นลมหายใจเข้าออกไม่ต้องบริกรรมหรือบริกรรมก็ได้ตามแต่ความถนัดใจ ทำไม่บริกรรมก็ให้รู้ลมเข้าลมออกลมสัมผัสที่ตรงไหนมากพึงตั้งสติลงที่จุดนั้นเช่นดั้งจมูกเป็นต้นเป็นที่ผ่านเข้าออกของลมอย่างเด่นชัดรู้ได้ชัดสัมผัสมากกว่าที่อื่นๆก็กําหนดที่ตรงนั้นไว ให้ความรู้คือใจนั้นอยู่กับความสัมผัสของลมผ่านเข้าผ่านออกโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปและตามลมออกมาในขั้นเดิมแนล่จะเป็นการฟันเสือมากไปหรือเพิ่มภาระให้จิตมากไปจึงต้องให้กำหนดรู้อยู่เพียงลมเข้าลมออกเท่านั้น ไม่ให้กิจส่งไปสู่สถานที่อื่นใดอารมณ์ใดนอกจากลมเข้าลมออกที่ตนกำหนดอยู่นั้นเท่านั้นเราจะบริกรรมทาบทใดก็าตามให้พึงทำความรู้สึกอยู่กับทาบทนั้นๆเท่านั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอันใดในเวลานั้น มีเฉพาะคาบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี้เท่านั้นท่านเรียกว่าภาวนาที่ถูกต้องเหมาะสมในธรรมที่กล่าวมาเ่าที่สี่สิบห้องนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมกับผู้ปพิปฏิบัติจะยึดเอาบทใดก็าตามเมื่อเห็นถูกกับจริตนิสัยจึงเรียกว่าเป็นธรรมกลาง เป็นปฏิบัตาที่ราบดื่นดีงามบรรดาพระสาวกอรหันทั้งหลายท่านผ่านไปด้วยธรรมเหล่านี้แหละในขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนั้นนี่เราหมายถึงการเริ่มแรกแห่งการภาวนาต้องมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดเครื่องกำกับของใจไม่เช่นนั้นใจจะ หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไหว้เผืไปหมดและไม่ได้ผลอันใดท่านจึงสอนกรรมฐานไว้ในตัวของเรานี้ก็มีกรรมฐานห้าที่อุปชามอบให้ตั้งแต่วันอุปสมบทคือเกษารลมาหน้าขาทันตาตะโจเราจะนำคำเหล่านี้ คำใดคำหนึ่งบทใดบทหนึ่งบริกรรมเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาสักคู่นี้ก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะเป็นธรรมเป็นกรรมฐานด้วยกันนี่เป็นธรรมฝึกหัดเบื้องต้ น, ต, นต้องมีบทธรรมเป็นเครื่องยึดไม่ใช่จะกำหนดรูเฉยเฉยเฉยเฉยดังที่จิตท่าน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 ผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงกำหนดทมเหล่านี้ให้เลือกเอาทมเหล่านี้ที่เห็นว่าเหมาะกับกรดิบนิสัยของตนมาปฏิบัติต่อตอนเองในขั้นเริ่มแรกจนจิตเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาคือความแน่นหนามั่นคงภายในใจหากรู้เองเมื่อจิตสงบลงไป สงบลงไปหลายครั้งหลายหนจิตจะสร้างฐานแนงความมั่นคงขึ้นภายในตัวเองความสงบเป็นครั้งเป็นคราวและถอนขึ้นมานี้ท่านเรียกว่าจิตรวมหรือจิตสงบเมื่อจิตมีการถอนมีการสงบเข้าไปและถอนออกมาสงบตัวเข้าไปแล้วขยายตัวออกมาหลายครั้งดังนี้ท่านเรียกว่าจิตสงบ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 จนถึงกับสร้างฐานของตนให้เกิดความมั่นคงขึ้นมาแม้จะคิดอ่า น, นต่ตองอะไรได้อยู่ก็ตามแต่ฐานของจิตที่แน่นหนามั่นคงนั้นไม่ละตัวเองนั่นจะเป็นความที่เหมาะสมอย่างยิ่งในคําว่าสจิตเป็นสมาธิเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆในวงผูป้ปฏิบัติจะทราบได้ชัดไม่ต้องไปถามใครเลยขอแต่จิตได้สงบเข้าไปดังที่กล่าวนี้เถอะ เมื่อสงบเข้าไปสงบเข้าไปถอนออกมาสงบเขาไปหลายครั้งหลายหนหลายวันหลายคืนเข้าไปหากเป็นความแน่นหนามันคงขึ้นภายในจิตเองนั่นท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิย่อมมีความเย็นย่อมมีความสงบตัวไม่หิวโหวยในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะอารมณ์ทางใดรูปเสียงกลิ่นรสเลร่งองสัมผัสเฉพาะอย่างยิ่งการมารมณ์เป็นสําคัญสําหรับนักบวช อันนี้เป็นค่าสุดมากภ า, ายจในจิตใจแล้วชอบมากคิดมากชอบคิดมากคิดได้อย่างรวดเร็วแต่หักห้ามได้ยากเหล่านี้เมื่อจิตมีสมาธิคือความสงบแล้วจิงเหล่านี้ย่อมสงบตัวไปแต่ไม่ใช่ขาดไม่ใช่ละขาดเป็นเพียงความสงบของจิตคือจิตอิ่มตัวในขั้นนี้ท่านจึงสอนสอนให ทชภาวการพิจารณาคือปัญญาปัญญานั้นหมายถึงการถอดการถอนการคลี่คลายดูสิ่งต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วละแล้วถอนไปโดยลําดับลาดาตั้งแต่ยิเล็ดขั้นห ย, ยาบๆจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดหลุดท้นท่านเรียกว่าปัญญาทั้งนั้นแต่เป็นขั้นๆ ข, ข, ของปัญญาสมาธิเป็นเพียงทำรรกิจให้สงบ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 สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโโหติมหานิสร้างสมาสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายรู้ได้แจ่มแจ้งชัดเจนโดยลำดับลาดาปัญญาปริภาวิตังจิตังส ม, มเด็จวะอาสวะหิมุจฉติปัญญาเมื่อสมาธิได้อบรมแล้ว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 แล้วจะไม่บริกรรมก็ได้โดยกาหนดเอาความรู้นั้นเป็นฐานที่เดียวอยู่กับความรู้นั้นเมื่อจะกาหนดให้ความรู้นั้นมีความสงบลงไปก็กาหนดลงได้อย่างง่ายดายทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปไเรื่อยๆที่คำว่าคำบริกรรมในกรรมฐานสี่สิบห้องนี้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 เมื่อกิตได้เป็นสมาธิแล้วฝึกหัดทางด้านปัญญาปัญญาจะตีแผ่ไปโดยลำดับลำดาๆๆๆคำบริกรรมนั้นจะหายไปโดยหลักธรรมชาติของผู้บําเพ็ญนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้บาเพ็ญถึงขั้นสมาธิอย่างแน่วแน่และขั้นปัญญาแล้วในคำบริกรรมทั้งหลาย จึงหายไปโดยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติของตัวเองคือหายค่อยหายไปเอง ค, อคือเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดเข้าขึ้นไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็หมดความจำเป็นไป9ก้าผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนถึงวาระสุสดท้าย9ก้าขึ้นถึงบนบ้าง น, นั่นนี่คำบริกรรมก็ค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเช่นนั้นจนถึง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 มีความขยายตัวออกไปโดยลำดับรมนาจนหาประมาณไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติหรือผู้ดำเนินสมาธิดำเนินปัญญานั้นจะรู้ตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครว่าควรจะปล่อยคำบริกรรมมากน้อยเพียงไรหรือไม่ปล่อยเป็นยังไงในเวลาใดขณะใดหากทราบเองในผู้ปฏิบัตินั้น <c oughs> ขอให้ทุกทุกท่านยึดไม้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติภาวนา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 นอนจมอยู่กับสมาธินั่นสิะ่ะไม่ออกวินิจพิจนาสุดท้ายก็เข้าใจว่าความรู้ที่แน่วแน่แห่งความเป็นสมาธิของตอนนั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานไปเลยในข้อนี้ผมเคยเป็นแล้วจึงได้นำมาสอนท่านทั้งอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญา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 ผมเคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังมานานแสนนานหลายครั้งหลายหนจนพรณนาไม่จบโอ้จนจนจนนับไม่ได้นั่นแหละว่าได้ติดสมาธินี่มาสอยจาอย่างจางจเจหรือติดสมาธิมาเสียจนจมพูดง่ายง่ายจนเป็นความขี้เหกียดจนเกิดเกิดความสำคัญว่าสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานสมาธินี่แหละจะ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 มากมายในบางส่วนของร่างกายเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างพิจารณานี่ท่านเรียวกว่าปัญญาแยกแยะดูจะดูภายนอกก็ได้ภายในก็ได้เป็นมรรคได้ทั้งสองคือทั้งภายนอกทั้งภายในเมื่อพิจารณาให้เป็นมรรคคือพิจารณาโดยทางปัญญาเพื่อการถอดการถอนเป็นมรรคได้ทั้งภายนอกภายภายในถ้า เรารู้เราเห็นเราสำคัญมั่นหมายเพื่อความผูกมัดตัวเองนั้นก็เป็นสมุทายได้ทั้งภายนอกภายในนี่จะอธิบายให้ฟังเพียงลางๆก่อนไม่ได้พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะยังมีแง่ที่จะพูดอีกมากมายในวงแห่งปัญญาในขันห้าเหล่านี้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 แล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาเมื่อพิจารณาซ้ําๆซักๆดูหลายครั้งหลายหนเราจะเห็นความจริงขึ้นมาเช่นอนิจจังข้อจริงอันหนึง่งทุกขังจริงอันหนึง่งอนัตตจริงอันหนึง่งอสุพะอสุพังแต่และอย่างละอย่างจริงไปตามหลักธรรมชาติของตัวเองนี่มันจริงอย่างนี้เมื่อจริงเข้าถึงใจแล้วใจย่อมมีความคลายออกตัวเองออกไปโดยลำดับจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้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 เพราะกรรมฐ า, านสี่สิบนี้ไม่ใช่จะเป็นอารมณ์แห่งสมถะอย่างเดียวยังเป็นอารมณ์ของนิปพัสนาได้ด้วยเมื่อกิตควรแก่นิปัสนาแล้วจะเป็นนิปพัสนาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในขณะที่จิตยังไม่เป็นปัญญาจิตยังไม่เป็นนิปพัสนาก็เอาทำเหล่านี้เลยมาอบรมจิตใจด้วยความเป็นสมถะคือเพื่อความเป็นสมถะได้แก่ความสงบของใจ พอจิตก้าวเข้าสู่ปัญญาแล้วทาที่เคยเป็นังเป็นอารมณ์แห่งสมถะนีแลจะแปลสภาพเป็นอารมณ์แห่งนิพพนาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้ <c oughs> เมื่อการพิจรารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับขันนอกขันไหนพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอดังที่กล่าวนี้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 เพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมชาติที่แหลมคมมากกว่าสมาธิเป็นไหนไหนถ้าเรายังไม่เคยข้าทางด้านปัญญามีแต่เพียงสมาธิก็จะเห็นว่าสมาธินี่เป็นความละเอียดมากเพราะจิตที่เป็นสมาธิเต็มภูมิต้องสร้างความละเอียดให้ผู้ยังไม่เคยรู้ก็เห็นทางด้านปัญญาว่าตัวนี้เป็นผู้ละเอียดแหลมคมมากละเอียดมากได้จริงๆโดยไม่ต้องสงสัยแต่พอก้าวออกทางด้านปัญญาแล้วจะเห็นสมาธินี้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 ถ้าไม่ใช้ใช้ความพินิพิจนาคลี่คลายออกโดยทางปัญญาแล้วเราจะไม่ทราบความละเอียดของกิเลสประเภทที่สัง t r อยู่ภายในจิตใจแล้วก็แร่พังพันออกไปทางเวทนาทางรูปทางเวทนาสัญญาสั้งขานะฟังสิวิญญาณแร่พังพันออกไปนู้น รูปเสียงกินนดเครื่องสัมผัสทั่วแดนโลกธาตุไปเที่ยวยืดได้หมดออกจากธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดของกิเลสประเภทหนึ่งภายในจิตใจนั่นแหละนี่ลหละมันสร้างเรื่องราวขึ้นมาภายในตัวและแผ่อำนาจศาสตร์กระจายไปทั่วโลกธาตุทั้งสามกามโลกรูปโลกอรูปโลกถ้าไม่ใช่จิตตรงนี้ไปเกิดดวงไหนจะไปเกิดอะไรจะไปเกิดสิ่งที่ละเอียด ในสุดพวกพรห ม, มโลกอย่างนี้เหมือนกันอะไรจะไปเกิดมีตะกิตทั้งนั้นแต่เกิดเพราะธรรมชาติที่แฝงอยู่ภารกิจนั่นผลักดันให้เป็นไปเองให้ไปเกิดนี่นี่แหละปัญญาเมื่อสร้างเข้าไปมันเห็นเข้าไปอย่างนี้เองเห็นเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปไม่ต้องไปถามใครนั่นละผู้ปฏิบัติไม่อัศจรรย์พระเจ้าจะอัศจรรย์ใครเทียงเหล่านี้พระริเจ้าสอนแล้วทั้งนานเมื่อปัญญาหยั่งเข้าไปหยั่งเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียด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 ท่านกล่าวไว้เป็นบทบาลีว่านติปัญญาสมาอาภาความสวาส่างกะจางแจ้งเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นจะสะวา่างกระจ่างแจ้งที่ไหนเล่าปัญญาต้องสวาง่างกระจ่างแจ้งลงในจุดที่มืดที่ดําที่เคยเกิดเค ย, เคยตายนั่นแหละได้จะดวงใจของตัวเองนี่มันมืดที่ตรงนี้ไม่ใช่มืดที่ไหนมันหลงที่ตรงนี้ไม่หลงที่ไหนตัวนี้พาให้เกิดตัวนี้พาให้ตาย พบใดแดนใดก็ตามไม่พ้นจากกิจดวงนี้แหละเป็นผู้พาให้ไะเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในทุกแห่งทุกหนในพบน้อยพบใหญ่พบนั้นพบนี้ไม่มีสิ้นสุดก็เพราะธรรมชาติที่ละเอียดแหลมคมมากหยุดกลืนกันอยู่กลมกลืนกันอยู่กับกิจนั้นดวงนันนานทีนี้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่เป็นักขันนี่เป็นของทั้ขันเอาชวนหยามนี้ก่อน มันหนักเป็นของมันเองไม่ได้บอกว่าเอาส่วนยาก็ตามหนักมาหนักเป็นเพราะมันกระเทือนจิตตลอดเวลารูปอันนี้ไม่ว่ารูปนอกเพราะว่ารูปไหนมันกระเทือนการอยู่ตลอดเวลาให้เป็นอารมณ์ยุ่งอยู่เสมอก็เพราะรูปนอกกับรูปในรูปเขากับรูปเรารูปหญิงกับรูปชายเสียงหญิงเสียงชายเสียงเขาเสียงเราสัมผัสเขาสัมผัสเหล่านี่แหละเป็นสิ่งที่มันกระทบกระตือนจิตใจอยู่ตลอดเวลา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 กายเวทนาสัญญาสั้งขันวินยางเหล่านี้จะเห็นว่าเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่ออกมาจากใจทางนั้นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนะีเวทนาก็คือความทุกข์ความทุกข์ไม่ทราบตัวเองแต่เป็นจิตเป็นผู้ทราบแล้วความสําคัญมั่นหมายที่ออกมาจากวิชาปัจจัยานั้นทําให้ยึดมั่นหรือมั่นนะี ทั้งเวทนาทั้งสุกเวทนาทั้งทุกเวทนาทั้งอุเบกขาเวทนายึดได้ทั้งนั้นถ้าลงได้หลงตัวจิตแล้วจิตจะพาให้หลงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่เมื่อได้รู้แล้วจะรู้เข้าไปโดยลําดับลาดาจงกระทั่งถึงตัวจิตเนย่ยเวทนาก็รู้รู้ก็ปล่อยสัญญาสังขารวิญญามรู้ปล่อยนั่นไม่มีใครบอกหากรู้เองนี่ลหละเรียกว่าปัญญาปัญญาฉลาดอย่างนั้นเองแหลมคมอย่างนั้นเองรู้ชัดรู้ชัดรู้ชัดไม่มีใครมาบอก ก็รู้เองรู้เองแล้วปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปสุดท้ายก็ขาดจะบ้านไปตั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ขันกับกิจนี่อยู่ด้วยกันคล้องกันอยู่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเคยเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับกิจได้กลายเป็นคนละชิ้นละอันแล้วยิน ต, ตรงนั้นเป็นเหมือนกับเกาะอันหนึง่งที่อยู่ในถ้ำกลางหมหาสมุทรได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นน้ำํำเวลาพิจารณาเข้าไปอีกพิจารณาเข้าไป จกนกระทั่งถึงตัวจิตซึ่งเป็นเกาะนั้นแยกพิจารณาอยางนั้นเช่นเดียวกับเราพิจารณาภายนอกมีรูปประขันเป็นต้นโดยทางอนิจจังทุกขังนาตาแยกเข้าไปแยกเข้าไปพิจารณาเข้าไปสุดท้ายเกาะนั้นก็พังทลายความจริงนั้นเกาะคืออะไรนั่นแหละตัวกิเลสตัวอวิชชาตัว ท, ที่ละเอียดแล้มคมที่สุดสมาธิเข้าถึงได้ยางไง ธรรมชาตินั้นเข้าไม่ถึงแต่ปัญญาพังได้ฟังสิไม่เจอไม่เห็นพังได้อย่างไงนี่แหละปัญญาพังหน้าเกาะนั้นจะไม่มีไม่มีเหลืออ๋อเกาะนั้นมันเป็นเกาะอะไรก็เกาะอวิชาปัญญ า, ญญาสังขารเกาะแห่งภพเกาะแห่งชาติเกาะแห่งความเกิดแก่เจ็บตายเกาะแห่งมหันตทุกข์ของสัตว์โลกนั่นเองจะเป็นอะไรไปนี่รู้ชัดเจนนี่เมื่อธรรมชาตินั้นได้พังไปแล้วไม่มีเกาะไม่มีดอนจิตที่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 ได้เข้าถึงความจริงแล้วไอ้ความคาดความหมายมันก็ล้มละลายมันไปเองล้มละลายไปเองโดยหาที่โดยเข้ามาคัดค้านความจริงนี้ไม่ได้เลยนี่แหละการตัดพบตัดชาติการสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อรู้ในสิ่งที่ควรรู้ในสิ่งที่ควรเห็นท่านว่านัตติปัญญาสมาอาภาสว่างลงที่ตรงนี้แหละตรงที่มันมืดเกาะนั่นแหละเป็นธรรมชาติอันหนึ่งให้ติดให้มองไม่ทั่วถึงก็คือเกาะอันนี้ไง เกาะแห่งอวิชชามันเกาะอยู่ในที่จิตนั่นจิตอยู่ตินอยู่กับจิตเมื่อถูกพังทลายลงไปไม่มีเหลือแล้วลำพังโดยจิตโดยธรรมชาติของจิตแท้ๆแล้วจะไม่เป็นเกาะจะไม่เป็นจุดสว่างจะจับให้ได้ว่าเป็นจุดแห่งความสว่างก็ไม่ได้จะว่าพองใสก็ไม่ได้จะว่าเศ้ามองก็ไม่ถูกไม่ถูกโดยประการทั้งปวงถ้าเป็นน้ำก็ไม่ไม่ไม่มีสี คือน้ำที่สะอาดเต็มที่ย่อมไม่มีสีถ้าต้องการให้เป็นสีก็เอาอะไรลงไปคลุกคล้ากับน้ า, า, าน้ำก็ปรากฏเป็นสนนีนั้นขึ้นมาันจิตก็เหมือนกันจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วย่อมปราศจากสีสันวันนะโดยประการทั้งปวงไม่มีในจิตตรงนั้นนั่นทั้งๆั้งที่รู้อยู่งั้นหากไม่ใช่อะไรทั้งนั้นท่านเนี่ยโลกุตระธรรมเต็มผุม่มทำเหนือโลกเหนืออะไร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 แล้วจนกระทั่งถึงความบุดพ้นด้วยการยึดหลักสุภาษิตธรรมของพระเจ้าให้แนบสนิทกับใจกลายเป็นสาวกอรหันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเห็นไหมพวกเราได้กราบว่าบูชาทุกวันนี้เป็นโมฆะเมื่อไหรเป็นของพูดเล่นเมื่อไหร่พุทธทางศรัทธะฉามีเป็นของเล่นเมื่อไหร่เป็นของจริงแท้แท้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สร้างขึ้นมาเป็นความสว่างกระจา่างแจ้งแก่โลกแก่ทสงสาร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 ใจเป็นพุทธะใจเป็นธรรมะใจเป็นสังฆะผู้ทรงความบริสุทธ์ต้องตนไม้เต็มจักเต็มส่วนแล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนยืนยันกันที่ใจดวงนี้เองนี่นี่แหะปัจจุบันกจิตปัจจุบันนธรรมท่านเรียกว่าอาการดิโกอาการดิกจิตอาการิกธรรมเป็นอันเดียวกันอยู่ภายใจิตของผู้ปฏิบัติของผู้หลุดพ้นนั่นแหละจะเป็นที่ไหนไปท่านขอให้ทุกๆ ท, ท่าน น, นำไปเพื่อปฏิบัติตยาทอแท้อ่อนแอยาโลเลโลกเล็ก อย่าเห็นว่าอันนั้นดีอันนี้ดีไม่มีอะไรแหละในโลกนี้เต็มพระเทศดกองให้จังทุกขังตาตั้งเขาทั้งเหล่าเห็นกันแล้วเจอกันแล้วไม่ได้บน่นให้กันอยู่ไม่ได้ต้องบ่นสู่กันฟังเพื่อเป็นทางระบายความทุกข์ทั้งหลายซึ่งมันอัดอั้นตันใจจะตายอยู่นั้นออกมาเขาก็ระบายเราก็ระบายสุดท้ายก็มีแต่ลมเท่านั้นทุกข์มันไม่ได้ออกมาจากหัวใจเพราะอะไร ก็เพราะมันไม่มีอะไรเป็นของอสิจัรย์อย่างในโลกนี่แม้แต่จิตของเราแทนที่จะเป็นของอสิจัรย์ก็บรรจุความทุกข์ความทรมานไว้เสอย่างเต็มเอียดแล้วก็มาระบายกันเท่านั้นมันเป็นประโยชน์อะไรในพิจารณานักปฏิบัติเป็นนักไขขควนพระไม่ไข่ควรใครไม่ไม่มีใครไข่ควรในโลกเพศของพระเป็นเพศที่ละเอียดเป็นเพศที่สุกขุมเป็นเพศที่พินิจพิจารณาเป็นเพศที่อดที่ทนเป็นเพศที่ไขขควรมากเป็นเพศที่มีความเพียร ไม่ใช่เป็นเพศที่กินแล้วนอนก่อนแล้วเนิน่งที่เกียจที่ค้านท้อแท้อ่อนแอทําอะไรไม่คิดไม่อ่านดังที่เห็นเห็นอยู่นี่วันหนึ่งวันหนึ่งอกจะแตกการแนะนําส่งส อ, งอนหมู่เพื่อนแล้วมองดูกิริยาอาการมองดูอะไรมันหักโดนหูโดนตาแล้วเข้าไปโดนหัวใจอยู่กันได้สอนเท่าไหร่มันก็ไม่พ้นให้นําไปพิจารณาสิคนที่เราเราที่โง่โ ง, ง่อยู่นี่แหละเมื่อได้ฝึกตวัตวทังตัวให้เป็นไปตามหลักธรรมพระเจ้าแล้ว จะเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาโดยไม่ต้องถามใครแล้วเอาธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเป็นเครื่องสองทางดำเนินลงไปดาเนินลงไปหากจะมีวันสะอาดฉลาดจนได้แหละถ้าฉลาดไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจะสอนไม่ทำไมพระผู้พระองค์ทรงเคยฉลาดจากการฝึกการทร ม, มานมาแล้วนี่พระสงฆ์สาวกก็เหมือนกัน ด้วยธรรมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็วิเศษด้วยธรรมพระสาวกก็วิเศษด้วยธรรมเราก็พยายามฝึกตนเราให้มันชนาดด้วยธรรมจรหงาใจครูบาอาจารย์ก็หมดไปหมดไปหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้นะหมดไปหมดไ ป, ดไปแทบจะว่าจริงๆเือเลแล้วเดี๋ยวนี้นะการสอนกิจตะภาวนาเป็นของสำคัญมาก พูดแล้วสาธุเราไม่ได้ประมาทคำภีร์บาลานตำหลับตําลาอันนั้นมันเป็นตู้เป็นหีบยาอืมมีอยู่มากเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแหละยาในตู้นั้นแนะ่ะแต่ละขวดแต่ละขวดและขวดแต่ละชิ้นละอันเป็นประโยชน์ทางนั้นแต่ผู้ที่จะนํามาใช้นั่นนะ่ะมันฉลาดไหมหถ้านํามาจะมาใช้ไม่ฉลาด ผู้นํามาใช้มาฉลาดก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากจะเกิดโทษด้วยซ้ำํำนี่ล่ะเป็นข้อเทียบเคียงต้องเป็นหมอเท่านั้นเป็นผู้จะนํายาเหล่านั้นมาใช้ได้เป็นผลประโยชน์แก่คนไข้ผู้ไม่ใช่หมอเป็นไปไม่ได้นอกจากกระทําคนไข้ตายนี่ล่ะพระพุทธเจ้าพระสาวกเป็นหมอชั้นเอก นำธรรมโอสถนี่แหละคื อ, อยามาสอนสัตว์โลกจึงสอนด้วยความแม่นยําถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีผิดไม่มีคาดเคลื่อนเป็เรื่องประวดติาตธรรมตราดไว้ชอบแล้วชอบแล้วและดําเนินมาชอบแล้วทั้งรู้ชอบแล้วทั้งปุถุตเจา้าและสาวกทั้งหลายรู้ชอบแล้วสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านจึงสอนในความถูกต้องแม่นยํา บรรดาสิทธ์ทั้งหลายที่เข้าไปอาศัยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ล้วนแล้ ว, วนนตั้งแต่เป็นพระหรหันธ์พระหรหันธ์ทำไมท่านจะสอนเคลื่อนคลาดละ่ะท่านจะสอนผิดพลาดไปละ่ะก็เมื่อท่านรู้อยู่อย่างเต็มใจเห็นอยู่อย่างเต็มใจเนี่ยททั้งหลายบริสุทธิพุพโทโธเต็มที่แล้วท่านจะสอนผิดที่ตรงไหนต้องสอนถูกต้องแม่นยําผู้เข้าไปเกี่ยวข้องต้องเป็นตาใจได้เลยฝากเป็นฝากตายได้เลยรับตาได้ให้ท่านจูงไม่สงสัย เนือมาจะจูงลงนรกอเมรกีที่ไหนจะจูงเพื่อมรักผลนิพพานทั้งนั้นเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านสอนอย่างนั้นท่านจูงอย่างนั้นท่านอบรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงธรรมแต่ครั้งราคาวนี้ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานจึงมีมากแต่ไม่มีมากยังไงก็มีแต่ธรรมของจริงล้นล้วนออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์ล้นล้ว น, วนผู้หาของจริงอยู่แล้วทําไมจะ ไม่ยึดเอาของจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจเล่านี่นี่แหละที่ความจริงของผู้รู้ทำเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกับหมอปริญญาที่เรียนมาแล้วโดยความถูกต้องมั่นยาทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างตลอดหยดยาและวิชาความรู้นํามาใช้ถึงไม่ผิดพลาดนี่นี่ก็ภาษาวกทั้งหลายท่านเป็นเช่นนั้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ที่ทำเด็ดําเนินมาแล้ว ผิดก็เป็นครูท่านถูกเป็นครูท่านนําเอาทั้งผิดทั้งถูกนั้นแหละมาสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแน่นยำจะไม่ผิดเหมือนอย่างท่านที่เคยดําเนินมาก่อนนี่เนี่ยการสอนจึงลำบากนะการสอนทางด้านจิตตภาวนาเพียงแต่เราจะ จ, าจดจําเอาจากคัมภีร์บาลานมานั้นดังที่กล่าวแล้วว่าสาธุไม่ได้ประมาทเราจะนํามาสอนไม่ถูกต้องเพราะเราไม่รู้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 ขั้นแหน่งใดแงใดแงใดลูกเข้าใจเข้าใจเข้าใจต้องสอนให้กได้ถูกต้องโ ด, โดยไม่ต้องสงสัยนี่ล่ะจึงเป็นที่นอนใจบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปหาครูบาอาจารย์ผู้ท่านถูกต้องน่นยำแล้วผลจึงเป็นที่คาดหมากันได้ว่าไม่สงสัยนี่ขอให้ทุกทุกทำได้ตั้งอกตั้งใจเวลา น, นี้เราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของเที่ยงแน่นหนามันคงแรงนักนะถ้าดาดจากกันไปทั้งไปทั้งมาทั้งเป็นทั้งตาย พัาผ่ากันอยู่ตลอดเวลาโลกคำว่าอ น, นิจจังอ น, นิจจังทุกขังตาจะเป็นรายไปถ้าไม่ใช่เป็นตั้งแต่พวกเรานี้ไปทุกรูปทุกนามจนกระทั่งถึงครอบโลกกธาตุมันเป็นแบบเดียวกันหมดนี่จะมานอนใจได้หรือแล้วการเกิดจากเจ็บตายไม่ใช่เป็นของชินชาหน้าด้านนะเป็นทุกข์จริงๆเช่นอย่างไฟเผาเรานั่นแหละเราชินชาได้มไหมไฟเผาเราทุกเผาเราก็เหมือนกันทุกภพทุกชาติเกิดต้องต้อ ง, อ ง, อ ง, องมีความทุกข์มาแล้วพอเริ่มเกิดก็เริ่มทุกข์มาแล้วเนี่ยจะว่ายอย่างไร เริ่มปรากฏทุกข์ขึ้นมาอย่างชัดชัดและตายก็เหมือนกันความเป็นอยู่แต่และพวรวุฒิมันหาความสูกความสบายที่ไหนได้เป็นแต่ยงไม่พูดออกมาทุกขณะจิตที่แสดงตัวทุกขณะที่ทุกแสดงตัวภายในร่างกายของเราและสัตว์ทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะอานาจของกิเลสนี่แหละเป็นตัวสําคัญที่สุดที่สร้างทุกข์ให้สัตว์โลกโดยทั่วกันได้รับความลําบากลําบนไม่สงสัยจึงขอให้พากัน พินิจพิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรายาได้กินชากันแล้วเร่งรีบเรียเร่ยงข้นขว้าคุณงามความดีที่จะให้หลุดพ้นจากมันเสียได้วันนี้ขนาดนี้ยิ่งเป็นของที่วิเศษที่สุดแล้วในในเรื่องการพ้นจากทุกข์นะณะะละการแสดงก็เห็นว่าสมควรตอนนี้เริ่มเริ่มปรากฏแล้วนี่